บุกทูแปดสิบเอ็ด #1 อดีตการหนึ่งยกเขียนนวชต้นเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบแะอไดยนการ์ดโสตลหนึ่งบอ่านขอนดัเขาได้อ่านวิตยสารหนึ่งฉบับและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ว่าอ ک ک ยิบ خ นังสือเล่มเขาได้ยิบบุหรี่หนึ่งมวนอู ی ย س ی ซ ا ر ب ر د เ ش ت เธอได้ยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นอู๋ยิบแท่งช็อกโกแเขาไม่ซื่อสัต์แต่เธอซื่อสัต์ อ, อ, มมอเขาขีเกียดแต่เธอขยัน อ, อ, มมอเขาจนแต่เธอรวยอรวมบเขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ او پول نداشت بلکه م ق ر و ز بود. <میشو> می ک او ن د م ش شانس نداشت بلکه بد شانس بود. او ا ش و که ا ا ش ت ا ن س و د ا نداشت بلکه بد شانس بود. او نداشت بلکه بد شانس بود. ک او ت ب ل ک ว ا و د ک ت ب ا او ت ن و د ا ش ت بلکه ن د ا ش ت بلکه ن و د ا و ب و د เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจอูราซี น, บบนาา่บูดบต่เค็งราซีบูดเขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อู๋ขุศบัตหน้าบูดบต่เคัดบัตบูดเขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร او خوشبرخورد نبود، بلکه بدبرخورد بود.